พอามาขายก็เลยขายอยูน่นะีผ้าเจ้าพ้าสงเราของทานองเดียวกันเนะ่มันมีมากเลือกเอาเราชอบเนื้อแบบไหนสีแบบได้สีดำก็มีคนนิยมซื้อสีเหลืองสีเขียวสีขาวขายได้เท่านั้นเราชอบสีอะไรผ้าเจ้าผ้าสงก็มีมากวัดว่ากมมีมากชอบวัดไหน ครูบาอาจารย์ตงใดก็ไปได้ไม่มีกฎหมายห้ามตับโทษมีเจรีที่จะเลือกหาตามความต้องการของตัวใครมีปัญญาก็าได้ของดีเท่านั้นใครโง่งก็ไม่ได้อะไรไหนของเน่าของเสีย ก็เลือดไม่ได้อีกแล้วล่ะทราบว่าอะไรเป็นทองเกศทองปลอมทองจริงก็ยอมสีเดียวกันขายเหลืองเหมือนกันหมดก็เลยดูยากต้องอา้ัยปลอดส่างปลอดขึ้นหรือสร้างอาสั่งธรรมขึ้นในใจสั้างหน้าสั้างตาสำหรับปฏิบัติศึกษาธรรมวินัย ลงมือปฏิบัติตามเี็นสมาธิปัญญามันมีในกายวาจาในใจของเราแล้วเราเคยเป็นเคยเห็นในการเราพึ่งปฏิบัติของตนอย่างไรเราจะไปวัดได้เห็นตลอดในตัว อยากทราบอยากเข้าใจว่าดีชั่วแฉ่ไหนบริสุทธิ์หรือโสโปรกนั้นต้องอาศัยอยู่ด้วยกันนานๆรู้จักสมาธิต่นี้จิตหนักแน่นมีจิตเป็นไปเกความสุขความสงบหรือไม่เราก็ต้องอาศัยเราบมเพ็ญให้รู้ให้เห็นในตัว แล้วไปศึกษาส่วนปัญญาการทำไรเฉลี่สก็ทำนองเดียวกันเราเห็นเราเป็นแล้วมันก็มีเัองวัดมีประหลอดวันนี้ที่มีประหลอดในตั ว, ม, ตวมีปัญญาในตัวในขาดทุนใคจจะโกหกให้จะ ลวงขนาดไหนมันก็เราร่วงไรยากพราเรามีปัญญามีประหลอดนี่เราไม่มีอะไร <c oughs> เราเหลือ่อมใส่ก็เหลื่ยมใส่ตามเขาเขาว่าดีก็ดีตามเขาเสีนามกิกาคำ น, นวบะลาชาวลูกจิกาให้กินถ้าจะว่ามันขมปกติลูกจิกามันขมถ้าจะว่ามันขมกว เก่งใจพาราชาบอกว่ามันหวานคนนั้นก็กว่าหวานคนนี้กอกว่าหวานมันขมขนาดไหนก็ไม่กล้ออาที่จะพูดกับพาราชาเพราะเป็นของพาราชาก็เลยว่าหวานโดยกันเรื่อยๆไปคนตรงไปตรงมาเขาทานเข้าไปก็บอกว่ามขมเพราะตัดสินแล้วคนต่อว่าหวานมัน ทูณคำเทศและถูกประหารคนันตีตอก็ขมเพราะมันขมจริงอย่างนั้นท่านกวดยงเอาไว้นี่ก็ททำนองเดียวกันเขาหวาดีแล้วกว็ดีตามเข้าไปม่สาวาดีช่วงขนาดไหนนี่ใส่ตออาดิพิจนาทำนองนั้นมันเป็นเสนาบักิกาหาสติห า, า, าปัญญาฮะการรักษาตัวเองโดได้ ยางทำไปความดีศาสนาอยู่ได้โดยบริษัททั้งสี่ไม่ใช่ว่ายู่ได้เสียสำหรัหบภิสุสามเณรเท่านั้นอุบาสกอุบาสิกาก็มีทางรักษาศาสนาบำบุงศาสนาความจริงพระภิกษุสามเณรจิตจะมี กำลังกายกำลังใจกบบเพื่อปฏิบัติศาสนาได้ก็อาศัยอุบาสกอุบาสิก า, าเขาไหมรักษาไหมให้บำรุงเน่ยปอาหารานุง่งโฮมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะพระเนรมีธรรมมีวินัยมีบำรุง โจรมันก่อนหยบย่ำทำลายศาสนาบำรุงชาบำรุงเนนมันก็อนทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองจึงบอกให้เลือกทีนี้พิเจนาดูก่อนเอาอาวุธไปให้โจรป่นศาสนาหรือป่นคนอื่นเขาทำไมถึงมาป้นล่ะบอกผมได้อาวุธดีนะได้มากจากไหนคนนั้นก็ให้มันก็ผิดไปด้วยกันอีกนะ ถ้าเป็นทางกฎหมายทางศ า, าสนาก็ทํานองเดียวกันพระสงฆ์ดูได้ก็ดาด อ, อาศัยอุบาสกอุบาสิกา่ันจุกคุณปู่สลรพานเิวัดอะไรนะครพนมสันเคยเทศในงานศึสกสันจันมั่น ไหล่พาไหลเน้นยังไม่ยากเลยเหมือนอไหล่อย่างอื่นเหมือนั้นท่านบอกถ้า้าเน้นไม่ดีอยากให้นี้อากวัดจากว่ า, า, วาอยากให้ออกจากศาสนามันไม่ยากปิดมอบข้าวเท่านั้นแหละมันอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องฝึกตรงนี้ทาต่างคนต่างปิดไม่สนับสนุน พระชั่วพระเสียแล้วพระชั่วพระเสียมันก็อยู่ยเยียวยำทำลายศาสนาไม่ได้มันตงศึกหาราพทุทออกไปนี่คือทางกำจัดพระอรชีติตนมียังอายเยียบยำทำลายศาสนาอะไรมาก็รับเอาบำรุงรวยไปต่อใจว่าดีวิเศษมันก็เลยเป็นเรื่องหยุ่งยากกัน ไผิดอะไรถูกกู่ถึงพระนอกวัดนอกศาสนานอก ในวัดในศาสนาในก็ดูจิตูใจของตัวเองการทำการฝูดการคิดมันถูกตามหลักทำนในในมันเป็นไปเพื่อมากเื่อผลหรือไม่ดูภายในทุกคนพอจะทราบ ป, ประชิจตของตัวการทำของตัวการผูดของตัว นี่คือศาสนาในวัดในดูภายในกายในใจของตัวถ้ามันชั่วมันเสียที่ไหนก็รีบกำจัดปัดเป่ า, าปมันออกไปแกไขมันทิ่งมันดีที่ไหนก็รักษาเอาไว้การทำการพูดการคิดนี่คือวัดภายในศาสนาภายใน ต่างคนต่างรักษาศาสนากายวายใจาใจของตัวจิงสิ่งชั่วิงเสียสี่พระพุทธเจ้าห้ามก็ให้เว้นอย่าฝ่าฝืนจิงใด้จ่พระพุทธเจ้าให้บ่มเ่นให้สะสมให้การําก็บังคับกายวายใจาใจของตน ให้ทาให้พูดให้คิดในสิ่งนั้นยังเรารักษาตัวของเราให้ดีต่างคนต่างรักษามีศีลมีสมาธิมีปัญญาในตัวศาสนามีเกิดเจริญคนนั้นก็ไม่มีชั่วมีเสียคนนี้ก็ไม่มีชั่วมีเสียไปสถานที่ใดก็มีแต่คนตายวายายใจบริสุทธิ์มันเกิดเจริญเท่านั้นแต่จะพูดถึงส่วนใหญ่ทั่วโลก จะพูดถึงส่วนบุคคลจิตใจของเราจเจริญแล้วไม่มีชั่วมีเสียไม่ได้รับทุกข์รับโทษจากการทําการพูดของตนการคิดของตอนตนก็เย็นก็สบายคนอื่นเขาจะวุ่นวายขัดข้องเป็นเรื่องของเขาเราทราบว่าเรื่องของเราบริสุทธิ์เรื่องของเราไม่มีชั่วมีเสีย ตัวของตัวตรวจตาที่ารณานแล้วไม่มีอะไรที่จะเสียใจให้ตัวเพราะรักษาคามดีเอาไว้ตามสติปัญญาของตัวจิจะรักษาได้แต้ตัวเองว่าเกิดมาเป็นโมฆะเป็นหมันทุกอย่างที่ควรทำเราก็ได้ทำที่ควรพูดเราก็เด้พูดที่ควรคิดเราก็ได้คิด พุทจ้าสอนว่าอย่างไรตั้งนาฏตั้งตาคือปฏิบัริรักษาอย่างนั้นนี่คือาศาสนาภายในวัดภายในรักษาได้มันสุขก็สบายคนอื่นเขาจะวุ่นวายจะเป็นจะตายเป็นเรื่องของเขารักษาตัวของเราไม่ดีแต่อยากอยาให้คนอื่นดีทั่วโลกมันก็เป็นไปไม่ได้ทางาศาสนาท่านสอน ตัวก่อนจึงไปสอนคนอื่นถึงคำพูดจะอยบคลายขนาดไหนจะการทำการปฏิบัติมันไม่ตรงกันมันก็ไม่ขอท่าขอทีให้เหมือนคนหอมมีแต่หนังหุ่มกระดูก ไปขายยายาชันดีนะใครกินไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนบาะบวชเขาาว่ากินไปแล้วอ้วนถวนสมบูรณ์แต่ตัวเองมีแต่หนังหุ่มกระดูกในอ้วนทวนอะไรให้แบบนี้ก็คนคนซื้อก็รู้สึกว่าจะหายยากนะถ้าคนอ้วนไปนขายยายาชันดีแต่ก่อนฉันก็พร้อมอย่างนี้ฉัน ทานยานี้ไปเราอ้วนคนที่เคยเห็นพร้อมอยู่ก่อนเขาก็คนอยากอ้วนเขาก็ซื้อเอาไปทานกันถึงคนอยากอ้ว น, น, นถต่มันพร้อมเป็นเหตุเป็นผลพร้อ ม, อมจนคนอื่นสงสารเพราะไปไหนมาไหนก็คงจะลําบากเลือด ทั้งตัวก็ไม่ได้เพวลทธิ์ให้เพราะมันหอมคนแบบนั้นจะไปขายโฆษณาวายาตัวดีวิเศษขนาดไหนตรง น, นี้ใครที่อยากจะซื้อโินโลค ก, การเสมือนกันมันเต็มตัวอยู่ยวายา ของเจดีใส่ใหิดใส่กาดใช้เอาไปรักษาหายทั้งนั้นแต่ตัวผู้ไปขายมันเต็มตัวอยู่คนแบบนั้นก็ขายไม่ออกอีกเหมือนกันมีคำพูดสองคนก็ทำนองนั้นบางคนก็มีวาทะคมคา ย, ยจาแปรใส่ชักชวนคนอื่นให้เหลื่อมใส่ศรัทธา รักษาศีนภาวานาแต่ตัวของขันเองไม่เคยสนใจมีแต่สนใจสอนคนอื่นผลมันก็ไม่เกิดให้คนจิตได้เห็นจริงจังเขาก็ไม่เหลื่อมใส่ได้แต่ลมปากทางผมพูดปฏิบัติในนี่เขาก็คลายศรัทธา <c oughs> เราเป็นผู้รักษาหาสนาต่อ เจนาทุกอย่าง <c oughs> สิ่งใดที่มันจะเป็นกิจเป็นภัยเน่ yeah. คนอื่นตัดอื่นก็รีรักษาเอาไว้อย่าไปทําไปปูดสิ่งนั้นสิ่งใดที่มันจะทําให้คนอื่นตัดอื่นได้รับสุขรับสบายตัวของตัวเองมาชอบแบบนั้นอรอดีทําสิ่งนั้น ม, มีคุณความดีในตัวของเราแล้วถึงเขาจะไม่เหลื่อมใส่เลยินดีเต็มใจแล้วกว็สุขแล้วกว็สบายแต่เไป ม, มีอะไรดีในตัวขเขาใจะสนเสรินขนาดไหนเห็นเราหิวจนจะตายแต่คนทั้งหลายเขว่าอิ่มแล้วไอ้อดอยากอยากจนอะไรไหนหิวไหมกระหายอะไร แต่เราก็สาบอยู่ในตัวของเราว่าเราหิวเรากระหายเราอยากกินอยากดื่มยังไม่เพงพอต่อถาต่อขันของเราหรือยังไม่มีอะไรอยู่ในใส่ในถองเลยหิวอยู่ตลอดเวลาก็าจะว่าดื่มบ้าดีขนาดไหนเราก็สาบในตัวของเรา ว่ามันไม่มีอะไรแต่ถ้าเราอิ่มแล้วเขาจะมาเป็นหมื่นเป็นพันหรองี่ไม่ได้กินอะไรนะหิวจนจะตายแล้วเราก็ไม่ควรจะไปสั่งลมปากของเขาพราเราอิ่มอยู่แล้วการปฏิบัติกองธรรมนองเดียวกันใครเดีจะสั่นลาเสือกใครจะนินทาท า, าเราไม่ตรวจตาดูเรื่องของเราเราก็จะหลงไปตามลมปากของเขา เราต้องตรวจตาที่เจนนะมันดีตามทําเขาว่า ห, ว า, า, า, าหรือไม่มันชั่วมันเสียตามครับเขานินตาหรือไม่เราต้องตรวจถามมันไม่ดีก่อนสอบแซมที่เจนนะก็ทําให้มันดีขึ้นถต่มันดีแล้วเขานินตาว่าไม่ดีแล้วผมวเป็นคนเสียใจเพราะามองไม่เห็นความดีของเราถ้าเรารักษาตรวจตาตัวของตัวอย่างนั้น เดอะเป็นผู้รักษากายวาจารักษาใจของตัวรักษาศาสนาอยากจะให้แต่เขาสันเหต้าเดินย่อแต่การทำชั่วาทาเสียไม่มีการลดละวาสศอกให้ไปที่ไหนกีกับมแต่ทำสิ่งชีชั่ว ท, ที่เสียที่เน่าทีเหม็นแต้คนอื่นก็เห็นเขาดูก็ นิ้วท้าทั้งที่ไม่ชอบแต่มันก็ไม่มีอะไรปิดบังเอาไว้ดีความชั่วเ ง, งินนัดกิโลเกล้ โ, โหัวนามะความลับไม่มีในโลกหมายถึงเราเองจะต้องชาติสาสเตอรของเราดูชั่วต่างๆ แต่เมยสรวจตาพิใจในนารณาแ้วก็หลงไหลเดี๋ยวคนอื่นไม่เห็นไมาคอยใจแล้วก็ทราบที่ว่ามันมีลับในโลกนั่นมีลับสำหรับเราผู้ที่ทำดีทำชัว่วมันคอยใจอยู่เห็นอยู่แต่อำนาจของลมปากมันส่งไปกันใหญ่อยู่นั่นะ หมาปุ๊บเป็นเท ว, วดาได้ครไม่ตายไม่ไหวก็เป็นผีทำให้เกิดป่วยเกิดไขเ้องต่างคนต่างไปจาบไปไหวไปสักการะบูชาเลยต้องกีหมาเกิดเป็นผีขึ้นคนได้กลไปดูหมิ่นยินท่าไหมสักการะน่ะปุ๊บเวกว่าเขา แขงเขากระด่เพราะอะไรเขาโลเหลื่อมใสมันเป็นไปได้าอาชีง ข, งของขี้หมาคนไปเห็นก่อนเขาเห็นว่าเป็นของปติคูณของหนาเสียดติเขาก็เลยครับโคดไม้เอ๊ะปิดเอาไว้คนหลังมาเถอะนี่เขาบูชาอะไรเถอหักคนไห้ดอกไม้มาบูชาเรื่อยไป คนผ่านไปเท่าไรก็บูชาไปเท่านั้นคนจิตสุดกองขี่ม้าก็เลยเกิดเป็นเทวดาเป็นโค้งดีโค้งดีขึ้ น, นความก็โลภเหลื่อมใสความตัดทาของคนในคนจิตเฉื่อยเสียก็ทำตองเดียวกันพอไปทำอย่างนั้นก็เป็นพิดเป็นผีขึ้นท้า ง, งของนั้นไม่มี มีดีอะไรแต่เิดคนส่วนใหญ่ไปนับถือสาวไหวเลยหลุมเลยลงมีเส้นไหนตรวจตาพิจารณาตัวเองแต่ตรวจตาพิจารณาตัวเองอะยอมทราบแล้วมันชั่วมันเสียที่ไหนมันจะแก้ไขกับภรุงอย่างไรทราบทําเป็นโอปนะโยโกน้องมาภายใน ดูกายดูใจของตัวอน่าดึแล้วเอาละมานานนะ